สิกขาบทที่12ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปในทางณนะที่ไหนในสิกขาบทที่12นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานนั้นเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ เกิดทางกายวาจากับจิต